คือ เ, เรื่องเราเนาะทำให้สมาชิกลดลงนิดหนึ่งจินพาการ์ดินจินน้ังไปลม์เอาเรื่องเราเนี่ยตอนนี้สนมนาน มาเริ่มต้นใหม่แต่เราไม่เริ่มต้นชีวิตเรานะี่ก็มันไม่มีไม่รู้จักที่ตั้งที่ไปที่มาที่อยู่ที่ไปรู้มาอยังไรตั้งอย่างไรก็ ไ, ไปแค่มาชีวิตงานบรจิจาคเราจําหแบ การแม่ผู้เราเลาะกาหนดคือของค์เจนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่นะหมอค่าชีวิตจีิตชีวิตตัอชีวิตชีวะความเป็นอยู่คือาธาตุขันมันดํารงอยู่าธาตุขันนั่นคือาธาตุสีขันให้อันนี้ มันงบจะได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นหลังจากเอาที่เรากําหนดกําหนดคือให้เรามีสติคือกําหนดคือวงไปที้เราหายใจแล้วก็กําหนดการปฏิเสธก็กําหนดควาดูตลงกาหนดที่เรียนทานไหมให้ดูเรียนยานี้เป็นต้นแป่ตัวอย่าง คาว่ากำหนดกำหนดกายคือกําหนดขันขันก็คือแค่เราพึ่งพาอาศัยยดนเดินนั่งนอนแท น, น, นเป็นคำว่ากําหนดในกรนี้ก็คือกําหนดรู้ขันขันมันอยู่ดํารงไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ได้เพราะอะไร อันนี้เป็นเรื่องตั้งอุดยอมรับถึงต่อมันเป็นสัจจะด้วยความจริงหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่และ ม, มื้อแต่ละวันถ้ามัานมีตัวนี้เป็นตัวเชื่อมสําหรับไม่มีอาหารเป็นตัวบำรุงธาตุสี่ขันธห้านี้ก็ขันธ์พปัญจกะไม่มีอาหารสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือ <Wait. S 2> เห็นไหมมันตามลําดับเลยก็คือรูปขันห้างก็จรูปนั่นแหะแนี่รูปมันอยู่ได้อยู่มาได้พวกแต่ถ้าว่ามันเปมีอาหอมอันนี้ทั้ง ท, ท, ามมา ท, ที่เป็นรูปประธรรมแล้วนามาทําที่เป็นรูปประทับคืออาหามต้จนจะอา่านหยาดหยาดเรากินเราเคี้ยวเรากลืนใช้คําว่ากินพื่อคำว่าดื่ม น, นีชวอนใหญ่ๆเพื่อให้สีของห่านนี้ดำรงอยู่นั่นคือวัตถุประสงค์ขณะนั้นตัดความ อ, อร่อยความชอบในชอบอินเนี้เพี่มันตูแพงออกไปวัตถุประสงค์มันก็แค่นี้ยกขึ้นมาพี่เจานณาออไม่อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ยชีวิตดูความเป็นไปความเป็นอยู่ของเรามันจะอยู่ได้ย่งไ ก็ไม่มีชีวิตชีวิตคือยากอยู่ลำบากเพราะสะนัที่จะตามมาถ้าไม่มีอาหารก็คือเวทานามันจะเกิดเวทานาจะเกิดมากจะเกิดน้อยหรือไม่เกิดเลยมันไม่มีเพียงแต่ว่าเกิดแล้วบางคนวางบางานั่งบางพวกนี้แต่จะบางด้วย ิดผลคนใดก็แล้วแต่จะไดเอารมณ์บางตัรือวางด้วยสิ่ที่เป็นสมาธิกับอีกเรกื่องหนึ่งสุดว่าคือถ้าไม่มีปลอมรงอ่านนี่สิ่งที่ตามมองที่เป็นธมนัอันนี้ก็เช่นเดียวกันภูริดจดึงใจั น, จน ว, ว่าใช้คำว่ากำหนดคณะเวทนา มีสามอย่างสามอาการถ้าไปจะนําหน้าทำมันลักษณะอาการของเวทนาเป็นอย่างไงเส้นสบายก็เรียกสุขเวทนามืนไม่สบายอึดอัดการคล้องเรไม่ได้เรียกทุกขเวทนามันเสื่อเคืองวางตอมและอุเบกขาเวทนานี่คือสิ่งที่มันจะตามมา ถ้ามีออ่อรนั้นนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งอาหารกายและอาอารใจคำว่าอาหารนี่เป็นีาา้ปรงทราบว่าต้องสองอย่างถ้าเราให้แต่อ่านตายอย่างเดียวนี่อ่านใจเราไม่มีเลยก็ปรุงทราบเส้นเดียวกันมันก็จะล้อกันทางกายขาดอาหารมันก็จะเป็นอย่างนี้จิตหรือใจขาดอาหารมันก็จะเป็นอย่างนี้ การเข้าใจคือธรรมะธรรมะอาหารเป็นอาหาที่เป็นธรรมะมันก็จะเป็นวงจรต่อไปเรื่อยๆวิจารณาต่อคือกําหนดนี่แหละคนนํัว่ากำหนดเรื่อพิจารณาหลังจากนั้นก็เลยพัสสะมุนตามันไปเรื่ อ, อยๆตั้งหามคือความอยากก็จะไล่ไปเรื่อยๆอันนั้คือต้นเหตุ ต้นเหตุมันเป็นเหตุเป็นทนเขาเรียกว่าปัจจัยคืสอส่งเสริมเครื่อน้นนส่งไปเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นต่อเป็นต่อไปเป็นกระบวนการตั้งแต่ตน้นจนจบเจนแต่เวทนาอันนั้นไม่เกี่ยวกับเวทนาที่แย่งก ant, ันยังบันดาลเรืองเวทนาเวทนาเกิดก็าทายังไงมันต้องจะดับเดี mm hmm. เหมือนกับารราการท้าปัญญการ ถ้ามันจะให้มันดับก็ต้องพุ่งพาเวทนาคําว่าดับในตอนนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยความหมายมันก็คือใจรักเห็นและมันก็จสดินอย่างนี้มาตลอดเมื่อวเวทนาเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปดับไปเพรก็แต่เมื่อมีอถ้ามัานมีอันตกท้อมันก็มันดับไม่ได้ตัณหาก็เช่นเดียวกัน เมมันเกิดขึ้นจะกําหนดอย่างตันหาในที่อื่คือกามาตานันหองภาวะตันหาหรือภาวะตันเหตุของเขะคืออะไรอันนี้ตนเหตุต้องบดทังงท้งมดเพื่อเป็นตนเหตุคือ ต, ต้นหตเป็นเหตุใการอุปาทานที่แต่ก่อนเกิดพบสุดท้ายคือพคือภาวะก็อยู่กับรูปอยู่กับภาพ คือการมาพบรู้ปรพบอรุปรพ บ, พบนี่คือวิญญาณหลังจากนั้นคือจิตออกจากแรงแล้ววิญญาณเสียหาที่ตั้งที่ตั้งหรือหาที่กามาพบรูปรพบอรุปรพบเพาะในช่วงนั้นจะเรียกว่าสัมภเวสีหาที่เกิดใหม่แสวงหาที่ตั้งที่อยู่ที่ไปข้างมันประเพณพบ เมื่อเกิดแล้วจึงเร็วกว่าชาติมิชาติเมื่อชาติเกิดแล้วสิ่งที่ตามมาคือชรามะรวศิสุกัสสีเพรอะโอมานัตตามมาเป็นพวนเป็นขยงเลยถ้าเกิดถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นชาติล้วก็จิงเกิดเกิดแก่เจ็บตายนี่นคือผลพวงผลพวงเริ่มต้นจากข้อแรกกลับย้อนไปสู่ที่เดิดคือเพราะเราไม่เข้าใจขันธ์ธาปัญจ ก, กะ คือขันห้านี้พูดยังไงเราไม่เข้าใจกระบวนการตั้งแต่ต้นว่าขันห้านั้นมันอยู่ยังไงมันมันมันมายัางไงมันอยู่ยังไงมันไปยังไงมันวนไปยังไอย่าง น, นี้อย่างนีนี่คือวงจรตอนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาคือมองไม่เห็นมองไม่เห็นด้วยปัญญาครับเราไม่มีปัญญามองไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญา เราก็จะใช้ชีวิตอยู่ความเป็นอยนู่นะแต่ละวันอย่างนี้ถึงแม้เวทนาามายืนคือสุขาทุกขาอเาุอเบกขาเวทนาเราก็ไม่เคยกําหนดเลยทางทางครูเจ้าสอนหรือบอกที่แจงฝากว่าเมื่อเกิดขึ้นเะไต้องกําหนดรถาว่ากําหนดรู้กับวาหนดได้บ้างรู้ไหมใค้มันเข้าใจเข้าใจคือเข้าถึงใจ นี่ขนเข้ามาคำว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นใช้คาว่ากําหนดก็ ค, คือพิจรารณายกขึ้นมาจาจนเข้าใจโดยปัญญาเพื่อเห็นได้เพรเข้าใจคือเห็นโดยปัญญาจะเรียกว่าวิปัสสน า, าเห็นแล้วมเกิดปัญญาแต่เห็นแล้วเกิดสัญญา น, นี่ยไม่เห็เห็นแล้วเกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้นั่นคือสิ่งที่ตามมาจากเวทนารูปเวทนาสัญญาคือความจําได้หมายรู้ มีจำมากก็ทุกมากหนักไปอีกจำมากก็สุกมากถ้าไม่มีอเุเปกรห์คือวางสุขหอบทุกข์คือสุกทุกไม่ได้ไม่มีอเุเปกรห์ก็ยิ่งลําบากตหนักไปอีกเพราะฉะนั้นฉะนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องที่มัเกิดขึ้นใช้ได้กั็แปลว่าให้รู้จักก็คือสุกก็รู้จักทุกก็รู้จักแล้วก็วางก็ต้องรู้จักด้วย ถึงจะครอบกระบวนการอย่างนั้นก็เชื่อมันรู้จักขันห้าอย่างเดียวรู้แต่วางรู้ได้เป็นแต่เข้าใจใเฉยๆมันวางไม่ได้ดังนั้นสติสมาธิปัญญาสำคัญมากมื่อไม่ใช่สำคัญธารมดาเพราะจะเป็นเครื่องมาาเครื่องมือใการบริหารจัดการที่เราจะกำหนดรู้ได้ด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญาแต่กำลังของสติสมาธิปัญญามันน้อย มีทางเี่ยวเห็นวงจรอันนี้ได้เมื่อไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ได้มันจะข้ามมันจะพ้นมันจะเหนือจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรจึงเป็นที่มาของการติดการขาดการต้องรู้ในวงจรเรียกว่าสัตตานั่นเองมันข้ามสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เห็นมองไม่เห็นรูปนามอันนี้ได้พรูปนามนี้ือท่านก็จะว่ากําหนดรู้รูปนามอันนี้เพราะต่อไปมันจะเป็นภ พ, พมันจะเป็นพ่าง มันอยู่ที่ว่าความเข้าใจของจิตของเราคือปัญญามันเกิดในระดับไหนน้สัมพระเวสีคือดิเราสแสวงหาที่เกิดมันก็จะไปตามนั้นพระจิตอยู่ในห้องอยู่ในรูปรูปคือด้มันละพึ่งพาอาศัยกามรถ้ามันอยากอาศัยการแต่จะไม่มใช่คําหยาบครยนะธรรมจักรยังมีพวกกามมันนอยู่ที่เรียกว่าการมอาคุณ องค์ประกอบของเขาคือรูปเสียงกิดและผละภาพในองค์ประกอบของเขาแยากเกิดอยู่ในนี้อย่างชื่นชอบยันพึงพอใจในรูปในเสียงในตี่นรบยังตัดในหลัง ไ, ไม่สามารถจะคลั่ใจสิ่งเหล่านี้ดนได้ด้วยปัญญามันเป็นที่มามันก็ที่จะอยู่ที่จะไปที่จะมาอีกคือสัมภเวสีอาศัยหนาที่ตั้งจิตมัจจายู่ไหม มันอยู่ในระดับไหนมันก็จะไหลไปตามโผิตามชั้นนั้นนั้นนี่นคือที่ไปที่มาโดยภาพรวมของสัตว์อีชึ่ีวิตมีวิญญาณก็จะบอกคนเยอเหมือนที่เราเรียกกันเองโดยสมมติอยู่ว่ามันจะเป็นอะไรแล้วมันก็เป็นได้ทุกขณะขนะที่เราจะสแสวงหาความเกิดพาที่ตั้งอันใหม่เนี่ยมันเป็นได้ทุกคะแล้วก็เป็นได้ทุกอย่างจิตของเราเนี่ยสภาวะมันเป็นได้ทุกอย่างเป็นสัตว์ มันเป็นสารพัดเลยแต่ใ น, นระดับของจิตถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดอืครับว่าฝึกนี่นคือหมายมุ่งไปที่ฝืนถ้าเราไม่ฝืนเลยปล่อยปล่อละเลยไป ต, ตามสัญญาอารมณ์ที่รกระทบที่เราพัดสะเลยพัดสาอาหารอาหารกับส า, ารมันเป็นอาหารหึ่งในอาหารเ่มัก็เป็นอาหารอย่างเครื่องไมยเครื่องมือถ้าเรายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อยู่ มันก็ข้ามอย่างเหล่านี้ไม่ได้ต้องสุดท้ายเป็ น, นพระวะอยู่พบพบแย่นามปรสูชานอื่นวนอยู่อย่างนี้ไม่ไปนหนๆน้อย น, นี่คือเสียงพระพุทธเจ้าของเาบองเดินภาพรวมแล้วว่าทําไมาถึงจะตัดยังไงได้แล้วก็แยกเป็นรูปเป็นนาแล้วยกสมบุกรู้ภูมินามที่ก่อนนเนี้ยมันอยู่ยังไงมันมาอย่างไงก่อนที่มันจะอยู่แล้วมันม า, ามาเสร็จแล้วอยู่เสร็จแล้วมันจะไป แต่ก็วนไปวนมาอยู่อย่างเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณของจิตจิตตะของเราเนี่ยดวงวิญญาณมันวนไปวนมาชาติแลว้วชาตดเราคือที่มาที่ไปที่อยู่เนี่ยจิตของคนที่ไม่รู้ใครก็ตามหรือว่าจิตดวงไหนก็ตามที่ไม่มีความรู้ไม่มีความใจในสิ่งเหล่านี้ท่านให้ยามคําสั้นๆว่า อ, อวิชัญ ความรู้วงจรอันนี้คือยังไม่เห็นตอนนี้มันเป็นวงจรโดยระยะสั้นระยะยากวก็ได้หรือไม่เคยอยู่ในวงความคิดของเราเองเลยหนักข้าไปอีกไม่เคยยกขึ้นมาพินิจพิจา เ, เพื่อให้กเกิดสติปัญญาในเร่อเหล่านี้ไม่ไมีทางหนักข้าไปอีกนี่นี่ความหมายว่าทําไม เราต้งมุ่งที่อุสังห์วิยะสติสมาธิปัญญาเกิดจากวิความเพียรศรัทธาวิยะสติสมาธิปัจยอมเป็นเครื่องลนเป็นเครื่องส่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราม่สร้งสางศรัทธาให้ความเชื่อให้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวต้องมีความเพียรอาตาปีความเพียรต้องเป็นไปผู้คนเผาเล็ มันไดเป็นผิกวดน้ามนไม่เป็ น, ปนไปด้วยความเผากิเลสต้องการให้เราจุดไฟเผ า, เ า, ากิเลสนี่คืออาตาปิเกิดความรู้มันร้อนมันเย็นมันหมักผลเป็นดังนั้นจิตของเราไปเด็กเชื่อเชิดเลื่อยเหมือนทําเป็นตัวไม่รู้เรื่องรู้ราวมันไม่ ร, รู้จักไปเวทนาสัญญาสังขารนิยมเป็นอย่างนั้นมันก็ยืนเดินนั่งนอนโดยไม่มีสติปราศจากสติ มันก็ไปหาอะไรกับสิ่งอื่นที่มันมีวิญญามันม่สติควาที่เรื่อสิ่งมีชีวิตคุณภาพคุณค่าของชีวิตมันอยู่ตรงนี้ชีวิตเราจะมีคุณคุณภาพบ้างมีคุณค่าได้ก็อยู่ตรงนี้ถแต่ถ้าเราไม่ให้สนุสไม่ให้ค่าไม่ให้ราคของหรือไม่ให้ความสําคัญเลยในะแต่ชีวิตในแต่ละวันนะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ จะเป็นอย่างนี้ต่อไปไปเรยจนไปรู้ที่มาที่อยู่ที่ไปนั่งคันท่าัญรยากาศคันเป็นกันห้านี่เป็นตัวอย่างในกันห้านี่คันท่าบรรยกะเช่นเราดูแลภายนอกผมขนเล็บฟันหนังยังไม่เป็นต้นคันท่าบรรยากะมีการห่อเป็นต้นเช่นเกษาก็คือผมขนเล็บฟันหนังป่อยนั้นเวลาอุบ บรรชาอุนศรีบดพระอุญชาจะให้กำหนดสิ่งเหล่านี้เพื่อยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เห็นเพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ได้อย่างไงในขิ้นเริ่มต้ น, ตนในการที่จะมองเห็นภาพรวมรูปสิ่งที่เรียกว่ารูปหลังจากนั้นก็สิ่งที่มันอาศัยรูปก็คือเวทนาต่างๆนะะักดินยาเป็นวงจร อันน Pierre, athlete, ี้ก็โดยภาพรืนตัวปฏิยาการคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยสอดคล้องอันนี้เป็นตัวอธิบายอาเรศสีดีที่สุดท่านจะเรียกว่าวงจรอธิบายไปเสียงไงว่าวอาเรศสีตัวแรกจะต้องทำยังไงตัวที่สองจะต้องทำยังไงตัวไหนจะต้องกําหนดตัวไหนต้องกำหนดละ ตรวไหนจะต้องทายเมยมากขึ้นตรงไี้เราทาให้เจ้งเพื่อให้เข้าใจชัดเจนนี่เรียกว่าอริยสัจสีถ้าเรายัางไม่ไม่เข้าใจเสิ่งนี้ครอบทุนกระบวนการการภาวนาก็จะเป็นไปด้วยความเจริญได้เพราะพัฒนาการช่างเหมือนเด็กทียว่าพัฒนาการซ้อนไม่เหมือนคนปกติเคนทั่วไปอเพราะถ้าจิตเราปเราป็นไงก็เชื่อว่าเป็นคนที่ จิตพัฒนาการใอ่เพราะฉะนั้นการภาวนาภาวนาคือต้องให้มีต้องจะทาเพื่อภาวนาอะไรภาวนาอย่างไงคิด ว, ว่าจะเจออะไรเจอจะทําให้แจ้งทําให้อะไรมันแจ้งกดมัดก็นี้ทาให้แจ้งต้องให้มีแรงมาขึ้นภาวนาก็าาเช่นเดียวกันต้องทําให้ทํำบ่อย ทางเพื่อภาวนาเพื่อห้เราดีทำไมบ่อยทําได้ทำทํายอะเยอะมันจยอะขึจะเกิดสติปัญญาไม่ได้สักแม้ว่าทำแต่ที่สำคัญคือต้องทำแล้วมัน เ, เกิดปัญญาไม่ได้ทํำไปเกิดสัญญาคือความจได้ไหมต้องบมดไปมุ่มงไปที่ปัญญาเท่านั้วเพราะปัญญาเราเราจมมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ โดยภาพรวมดูความเป็นจริงก็คือสัจดิ์ตอนนี้คือสิ่งที่พูทเจ้าของเราตอนนั้นเริ่มต้นจากอิทธิรมาพระองค์เรียกว่ามเปนด้วยว่าเคยทุกข์การันอตอียาร่างกายมาทุกขยกหนักแสนสาหะความที่ไม่เนื้ออ่อนกาวว่าลิงการหาอาหารคือคำข้าวนี่นี่คือข้าวคือน้นอําท่านจะเข้าใจเลยว่าร่างกายมัน แต่ว่าลิงลางอาหารหยาบหยาบนี่ยมันสุดท้ายร่างกายพ้ะองค์ก็ลือมตอนหลังท่องจะดูยแต่จิตกับพระองค์ม่ได้เกิดหัวกพรภาวนาเราเข้าใจแล้วจิตกับกายท่านเข้าใจจิตคือเข้าใจรู้กับนามนามเป็นอย่างนี้จิตมันเป็นอย่างนี้รู้เป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่เข้าใจเสียงนึ่งคือยังแนีแยออกว่าอะไรคือรูปอะไรคือนาม ผลก็กันมีรูปยผลของกันมีน้ำเป็นยังไงท่านเข้าใจลหลังจโอดอาหารมาใช้ด้วยแต่หนังหุ้มก็ดูมันไปไหนต่อไม่ได้เพราะมันขาดให้แปาว่าเรืงกลาจึงกลับมาสมัยพระคยาเพื่อบำบัดเบญทนาเพื่อให้ม่เกิดเวญทนาคือสุขเวททนาทุกข์เนเป็นบาเบทนาท พระอาหารที่เรากินบริโภคเรากินทุกวันนี้วัตถุประสงค์ก็คือบำบัดเวทนานั่นคือเป้าประสงค์ต้องการให้เเข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นีนี้เรากินอะไรก็ได้ชั้นอ่านก็ได้มากน้อยเอาพอดีความเหมาะสเพราะเรากินไปเพื่อบำบัดเวทนาไม่ได้กินไปเพื่ออร่อยไม่ได้กินเพื่อความอินมหรีอีมมั่ง กินอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนพระองค์คงบบกลับมาสอยพระยาหา์งานเริ่มีกํำลังคือกําลังกายเหน็นมถ้ามีกําลังไปต่อไม่ได้ก็แปลว่าสมมวิเราปล่อยเลยในขณะอันที่รพร ะ, ระองค์ทรมาเงินพระองค์จะต่อเลยเป็นหนังมุ่งกระดูกจะที่ซี่โครงสุดท้ายจิตมันถึงไม่ได้เพราะโดนโดยธนาดีทําอย่างหนักจิตมันก็จะออกแก๊ร่าง ตายหรือก็ไม่ได้เลยตายก็เกิดดินน้ไฟลงมันจะไม่ได้ไเลยมันก็ย่อยสลายไปตามสภาพของมันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ําไฟเป็นไปลมเป็นลมแต่พูดง่ายๆคือตัวให้นั่งภาวนา จ, จนตายก็จะไม่ได้เลยเพราะว่าที่ตายมาคือดินน้ําไฟลงมันมันแตกสลายมันย่อยมันกระจายกันไปแต่ตัวไม่ไม่ตายคือิ เบตนาจในขานคือจิตมันไม่ตายก็กําหนดต่อเวทนาโอมันอยู่ได้อย่างนี้เพราะว่าอยู่ได้เพราะอ่อนกำหนเวทนาที่มันมีอาหารนะเพราะมีความอยากมีตันห้องมีความอยากมีความยึดเพื่อสิ่งกันยึดอะไรก็ยึดขันห้าที่มันยึดกันห้ากันห้าที่มันข้ามมันยึดอะไรมันยึดพ่อเลย คิดพวายินดีพอใจในการมาคุณอื่นมากบำรงมากการมาคุณก็ตามมากมีเรื่ยวมีแรงมีกำลังอาหารมาบำรงุบรงบำรงุบรงบำรรเอออันนี้คือชีวิตของสัตว์โลกเขาเป็นอย่างนี้เขาอยู่กันอย่างนี้ที่ไหนก็เหมือนเกิดไม่เกี่ยวกับสาติหนึ่งเป็นที่มาที่ไปอย่าง น, นี้เขาจะอยู่ได้นะสุดท้ายก็อยู่ได้พะโดยที่ไม่รู้ตัว เกา้ามจึะงเป็นที่มาทั้งหมดทั้งวงก็เป็นต้นถ้าไม่มีการมันก็ไม่มีเกิดเพราะเกิดคือชาตานะิตามองพราะเกิดสิ่งที่ตามมาคือเป็นพวงในตัวนี้ผลพวงของการเกิดมันก็จะเป็นวงจรงอย่างนี้ให้หนีที่สิ้นสุดทุกพบทุกชาติที่มันเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามสภาวะมันจะมี เกิดเป็กคนเกิดเป็นสัตว์หรือเกิดหรือเตอขันสี่ก็ต่างสต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นขันสี่ไปสวยยิ่งขึออกมาถึงขันห้าเมื่อใดมันก็จะเป็นอย่างนี้อันอันนี้คือธรรมชาติที่มันเป็นไปของชีวิตจิตใจของสรรพสสารทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเรียงลำดับให้ฟังข้างแรกข้างเรากี่ยวกับชีวิตของเรา เริ่มต้นจากเราจะพูดถึงพบพบคือสิ่งที่ก่อนที่เป็นชาติคือชาต า, ามาจากพบพบมาจากไหนก็จะที่เราหยุดชาตาิเคือที่เราไม่เข้าใจพบในขณะที่เป็นชาตาคือเกิดเกิดขึ้นมาหรือว่าเกิดในสภาพใดก็าตามเกิดที่ภาชนะมีชีวิตมีจิตฟองหรืออาจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามเรียกว่าชาตามั า, า, มาจากพบ แต่เรามองไม่เห็นเพราว่ามองไม่เห็ น, นคือมองไม่เห็นได้วัเปนอย่างเราก็เห็นแต่เออช า, ชาติคือชาติตายเราเขียว่าชาตายเพื่อเกิดพอเกิดเสร็จแล้วนะมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตแต่ชีวิตชีวิตอันนี้เกี่ยวข้องกับจิตสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันมไม่เกี่ยวไม่มีจิตก้อนเช่นต้นไม้เขากา็มีชีวิตผต่มีจิตไม่เหมือนพวกเราก็ไม่ชีวิตเหมือนกันมีชีวิตมีจิต เพื่อมีจิตมันก็มีการปรุงการแต่งคือคิดพูดออรรจึงตบานจะเรียกว่ากรรมที่การกระทํำการกระทาที่เกิดจากความคิดนั่นแหละการกระทำที่เกิดกับพูดการกระทำที่เกิดจาที่เราแสดงออกนี่จะเรียกว่ากรรมวงจรของคนเรามีแค่นี้ชีวิตมีจิตว่าจะเป็นที่เป็นกุศลอกุศลก็ตามไม่มรก็ดอะ มีการกระทํากันระพาพของจิตตามคุณภาพของจิตถ้าจิตดีมันก็จิตมันก็ทําที่เป็นกุศลถ้าจิตไม่ดีมันก็ทําที่เป็นอกุศลแต่ถ้าวางมันได้ทั้งโดยเป็นอุปสรรคเป็นจิตที่มันวางบางได้างชุ่มข้างทักข์เขาจิตแล้นั่งสมสาธิกุศลอกุศลนั้นเกิดจิตมาสงบมาเรืง่งมาสุขะกับทนี้ ตัวตาอพร์มันไม่หมุนไปไม่ไดถึงชีวิตจิตกรรมธรรมะมันไม่มีหัวข้อที่จะคิดเสื่อมหาผู้ความอดทนผู้ความรู้จริงๆ จ, จริงตามความเป็นจริงมันไมัมนได้แค่ชีวิตจิตและก็กรรมนี่คือภาพรวมของคนที่จะเป็นมนุษย์ก็ตามเรียกว่าคนก็ตามที่เป็นอนัคนิยมประสงองโอนเนก็ตามมันยุดตืออยู่ตรงนี้ชีวิตจิตกรรมคือการกระทา วิธีว่าทำดีทำไม่ดมีเป็นเรื่องแล้วแต่แล้วก็ผลของมันก็จะตามมาตอนนั้นหะการที่เราแสดงออกนั่นแหละแต่ธรรมะที่เป็นตัวจัดสรรทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกิดเรไม่เข้าใจธรรมะเมื่อธรรมะไม่มีปัญญามันจะมาจากไหนของชีวิตที่ไม่มีธรรมะไม่ประกอบด้วยธรรมะปัญญามันต้องไปถามเมื่อปัญญามไม่ต้องตามหามราก็ได้แคนั้น คนไปเรียนมาวัฏมปัญญาเกิดขึ้นมันจะเกิดสังเวชนิถิพาววิรากะวิรากเนี่ยวิราะกะหรือปจาชจักตามคตามคุณตารมาคุณอยู่ตัตั้งอยู่ที่ไหนตั้งยึดกันก็ถ้ากันท่าจะเป็นที่ตั้งของทั้งหมดต้องวนรวมว่าไงเอือปัญหาเกิดเนะี่ยปัญหาก็คือโจอเราแค่โจทก็ถูก เราไม่เข้าใจโจทย์ถ้าเป็นนักเรียนครูตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วไม่เข้าใจโจทย์เราก็พยายามที่จะแก้พยายามที่จะตอบปัญหาแต่นั่งตอบไม่ถูกและโจทย์ก็น่าก็คือการห้องเราเป็นชีวิตเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงแก้เข้าใจรงรูปแบบยังไงเวทนาอย่างไรเป็านารรยากาศยังไงมันเกิดตั้งอยู่ยังไง ถ้าเราไม่เห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ของรูปกดีของเวทนาคดีของสัญญาขันธ์ปัญญาก็ดีชื่อว่าไม่เห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปของก็คือไม่เห็นใจหลักนั่นเมราไม่เห็นไปรลักปัญญามันจะเจริญมาจากไหนปัญญา ม, มันจะโูนแต่ถ้าเห็นความเกิดขึ้นทั้งระดับไปทั้งหมดทั้งมวลทั้งโลกทั้งคือรูปนาม นั่นเองอย่าลืมว่าวันหนึ่งรูปอันนี้คือดินน้ําไฟลมวันหนึ่งเขาก็ไปตามสภาพของเขานตอนนี้ดินว่าอากาศเึงนกับไปดินน้าเป็นน้ํำไฟไฟเป็นนลมเขาเคยอยู่ตามสภาพถึงเวลาเขาก็เป็นของเขาอยู่กับโลกใบนี้แต่ตัวจิตมันไม่ได้คล้องสิ่งเหล่านี้เมื่อมันไปกุลธิดาฐานจิตมันไปต่อจะไปยังไง ท่านจะเปรียบเสมือนว่าอันหนึ่งตอนทอดเสมือนหนึ่งว่าเราขลังเดินทางเราเดินทางระยะทางการทาันทุระกันดายาวไกลเพราะในขณะที่เราเดินทางมันจําเป็นต้องมีเสบียงมีอาหารเห็นคำว่าอาหารไหมชัดเจนด้วยมันจะเป็นต้องพกต้องพอง มันต้องมีถ้าไม่มีอยู่ได้ไหมในการการเดินทางคืออะไรสัมผัสเวสีคือสแสวงหาที่ที่ไปต่อข้างหนะ้าเนี่ยมันต้องมีสเสบียงคือสเสบียงที่ว่านะ่ะคือสเสบียงที่เป็นบุญที่เป็นบังคัที่ติดตัวเราไปนะมีแค่นั้นอื่นที่ดินน้ำไฟลม อีกพหนึ่หรืออีกขันเสียมันไม่มีมันไม่มีอย่างนี้ตผนเสบียงที่มันพบนตจอมันก็คือบุญบาปเยอะอาหา ร, ราน่าจะ้ำมีอาหารหรือเป็นบาปเยอะอาหารก็คือบาปนองแรงเป็นที่เป็นที่อยู่เป็นที่กินเป็นที่พึ่งพางก็เป็นบุญก็คือบนนุญนองแรงเป็นสเสบียงในขณะที่เรายัางเดินทาง เรยวทางที่เป็นธุระกันดินยุ่งยากกว่าจะเป็นกฎหมายปลายทางคือพนิบาลซึ่งยากนักแยกราที่จะไปถึงเอาแค่ใกล้ ก, ลก็ยังยากลำบากพอเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็าไปลงแค่อาหารจาอาหารใจเราไม่ได้กำเนิดจงเลยพอทึกอาหารเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะนถึงความรังห แล้วกินเราบริโภคอันนี้คือสิ่งที่เราพื้นฐานที่เราเนื้อกินแต่อาหารที่เป็นเสบียงบุญจริงๆอะไรไม่ได้ไม่ออกไม่ถึงแบบวันขนาดใดที่มันเหลือแต่จิตรู้ออกจากร่างและเสวยคือเวนาที่เราทำการนี้ก็คืนอน้ำนั่นแหละเนี่ยอาหารขึ้มันคื อ, อนี้ทำ ม, มันอยู่ได้ยังไงก็ อ, อัน น, นี้อยู่ได้เพราะ บ, บุญอยู่ได้เพราะ บ, บาปคือไปเสวยไปเสวยบุญไปเสวยบาศจะเรียกว เป็นอะไรก็แล้วแต่เรือเป็นภพภาวะมันก็ไปตามนั่งก็ไปวนไปยวนมาเมดหมดพนั็จะกลับมาอีกหมดอายุก็เหมือนกับเราเหมือนกับมนุษย์เราอายุขายข้าเราหกสิบเจ็ดสิบร้อยหมดอายุไขไขคือขยะขยะไปหมดไปสิ้นไปหมดแล้วแต่มันไม่ได้หมดแสกสลายแล้วมันมันไม่ได้จบตรงนั้น หลังจากนั้นนะ่ะมันเรามีสเสบียงอะไรที่จะไปต่ออะไรนาได้ถ้าไม่มีเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับที่พระองค์นั่งนั่งแล้วไม่ได้สวยพระกายหอมงงมันจะเกิดอะไรขึ้นสภาวพวิญญามันจะเป็นยังไงสภาพกายเป็นยังไงนั่นคือว่าทําไมเหตุผลทําไมเราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจลและนำไปสู่การปฏิบัติ ในชีวิตประจําวันกลาของเราในอริบทียืนเดินนั่งก็คือสิ่งที่เรามีอยู่ที่เตาก็คือยืนเดินนั่งแล้วก็นอนแค่นี้เองที่มันอริบที่มันบําบัดทุกกเหมก็ไปถ่านหน่อยกินอาหารก็ไปมันก็บําบัดไปเราใช้อริบททั้งสี่นี้คือยืนเดินนั่งมันก็บําบัดอันนี้แหละให้เราเขาอยากบำบัดทุกอยากทุกมากกับทุกน้อย แต่ที่สําคัญคือเราจะเห็นโอ้โอถ้ามันอยู่นี่อริบุไดมันอนอนไอเราจะเห็น เ, อ, เออมันทุกข์มันทนอยู่ได้่ากจนอยู่ในลำบากไม่มีใครทนอยู่อย่างนั้นอยปัญญาวัตรนี่คือสภาวะวัตรพุกคือเกิดขึ้นกับสภาวะของผู้ใดก็ตามจิตของผู้ใดก็ตามมันทนอยู่ไม่ได้คือปลายทางอาจจะช้านาน หน่อยแต่สุดท้ายปทางคือมัดอยู่ไม่ได้จดุด ว, วั mm. ตถุเพื่อเข้าใจสภาวะเหล่านี้จะหาทางบำบัดเขาคือกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อบรรภารามอันนเีาานเพื่อหันไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เะฉะนั้นโดยสภาวะวัตทุกก็คือตัว น, นี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นคำแรกในอริยสัจสแต่เราไม่กำหนด กับมาก็เราดูที่กายเหมือนเดิมทุกมันตั้งอยู่ตรงไหนก็ปัญจขันนี่ละปัจจขันนี่เป็นทีนนนน่ตั้งไว้ที่อยู่ถ้าเราไม่เห็นปันจจขันคนคนั้นก็เป็นคนทุกข์ถ้าเราไม่เห็นกันห้าคน้นก็เป็นคนทุกข์เพราะนั่นจะเรียกว่าสังคตากระอัสังคตาปัจจัยปรุงแต่งและไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็คือการห่างห่างสุดท้างไปนสังคตา ที่ปรุงที่แต่งทําให้จิตเราเกิดการปรุงแต่งไปนรื่นยมานี้มาน้องรู้เสียงจี่เราพลิตภัอรมณการอารมณ์ท่าไรละไรก็เกิดจากการแต่งแต่งนี่ก็สังขตะจะเป็นที่มาเนี่ยการห้าจจะเป็นที่มาก็าสังขตะฐานถ้าเราไม่เห็นการห้าคนนั้นก็ยังเกิดอยู่สองตาวกันแต่เมื่อเราเกิดการปรุงแต่งฟงกล้ามอยู่ตลอดออเวลากิดอยู่ในภาวะอย่างนี้ภาวะก็คือปุ๊บ เรียกว่ากามาพพบอย่างเรียกว่ า, า, ากามาพบพบที่บริโภคกามอยู่ที่วัตถิปัญญาขั้นมันหยาบกลางละเอียดขนาดไหนหมือนจิตของเราเนี่ยจิตมันหยาบจิตตรงกลางละเอียดเหมือนสมาธิขณิกะอุปจาระอัปปนองเรื่องกนตอนัทนยะะพักนิดหน่อยกับขันกะ แต่ถ้าจิตยกกหมาอมให้มันเกิดปัญญาอุปจนแต่ถ้าจะพักจริงๆไปรับรู้เรื่องคือไม่รู้เวทมนต์คืไม่รู้ภาษาข้างนอบก็อัปปนอสมาธินอนโดยพักเหมือนคนนอนหลับไม่ต้องทํางานมาครอบอยู่อย่างนี้วนปไปจิตของเราการทํางานก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าสมาธิตับตตบุดมุญบำนากาหลับอยู่นะ ตื่นขึ้นมาก็เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าถอนออกจากอัปปนาเมื่ อ, อไรเดิมทุกอย่างหน้าที่ของมันเหมือนเดิมคือมาอับมารับรู้ภาษาข้างนอกนี้สุขทุกขเฉยๆเหมือนเดิมทุกวงก็คือมารับรู้ของนี้แต่ถ้ารับรู้เราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทักอย่างเลยคือไม่มีความรู้ไม่มีเข้าใจเลยมันก็ยังเหมือนเดิมเช่นเดียวกันมันเก้ดข่าวอะไรนีน้ตอนนั้นมารับรู้ก็นอนเสร็จแ้วพี่จิตร เรื่องกาหนดรู้เพราะนั้นผูะเจ้าจึงแช้เรว่ากําหนดรู้ทุกเกิดขึ้นให้กําหนดรู้กําหนดรู้ที่มาที่อยู่ที่ไปของมันทุกมันเกิดเพราะอะไรเพร่อตัง้งทุกมีเพราะตัณหาพาะจึงบอกว่าไม่เขียนในย่ามหลายดีมาแล้วทุกมีเพราะตัณหาทุกมาให้กําหนดทุกหมดเพราะรถแห่งธรรม มาล่วงปีเลยจำไม่ได้เยอะค่อนข้างยากในระดับเร า, เราได้เลยแต่ก็ไปอ่านนี้คือที่มาไม่ใช่สัพแต่ว่าเขียนเราจะวันนี้คือได้มันมีความหมายความหมายนั่ทุกมีเพราะตัณหาผมคำว่าคําว่าวตัณห า, า, าก็มาจัดทุกะมีตัณหาเมื่อไหร่ทุกมันก็จะตามมาเป็นการ ม, มาตัณหาเพราะว่ตาตาพี่เพราะว่าตัณหาไม่ใช่คำว่าตัณหาคื อ, อปลาทางมาคือทุกทุกเลย มันคือสิ่ทั้งหมดทั้งองค์มันนำไปสู่ผลทุกมีเพราะตั้อตอหาทุกมามทุกวาขึ้นว่ารำมีทุกเนืให้กำหนดมีใช้ว่ากำหนดไม่ได้ให้ร้ายไม่ให้เพิกเฉยแต่ใช้ว่ากำหนดกำหนอดอะไรก็เราการห้ามเองเพราะการห้าเป็นที่ตั้ ง, ง, งของจิตทั้งเราฟุ้งซ่านรำคาญ น, นเพราะว่าอ น, นี้เพราะเราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ดีพอที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาของนักปฏิบัติ ท, ทั้งหลายเพราะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็มีเพุาธธรรมะก็โน่นท้กหมดหมด เ, เพราะทุกหมดเพราะรถแหง่งธรรมคือธรรมะถ้าไม่มีธรรมะต้นเชืครับว่ามีนะไม่ใช่รู้ไม่ใช่มันหมดไปเพราะรู้ธรรมะ หมดไปพรามีตอนนพระรถแห่งทางมันจะทอดอาหารกระปาร๋านในรถทห่งธรรมอาหารอาหารคือรถทแห่งนรรมถ้าเรากําหนดรู้อย่างนี้เราจะเข้าใจวงจรของเขาก็โอที่อยู่ที่มาที่ไปตั้งแต่ต้นจนจบมันไล่เรียงมันเริ่มต้นขันห้าเป็นตัวตั้งเราจะเข้าใจกระบวนการของเขาตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเกิดตัญหาทหารกนพบตปนชาติ าาชาติเราก็ตามมาอินโดนีเซชาติชราติที่ยามมาแล้วสกาประยทว่าที่เราสวดคันั้งเลนั่นคือผลโพนี้มาตามเราติดวงจรมันต้นอย่านี้นะนะต้นต่อถ้าเราไม่กําหนดต้นต่อมันก็ชื่อว่าสังคตตาคือปรงุงฟองุมโดยไม่มีที่สุดไม่มีตอ น, นแต่เราก็ไม่รู้ไม่รู้วิธีการมันจึงเป็นอย่าง เมื่อไม่มีปรุงแต่งจนเข้าใจจนมีอะไรมาปรุงแต่งได้หมายถึงจิตจิตมันไม่ปรุงไม่แต่งคือไม่มีอะไรสามารถที่จะมาปรุงแต่งจะได้แล้วอสังคตะสภาวะอย่างนี้มีอยู่อย่างเดียวคือสวัสดิวัานิพันธ์นิพพา น, ะนพานะคือมันดับมันเย็นทั้งหมดคือกิเลสานกิเลสทั้งหลายคือเย็นกิเลสวนานิพพอง พรไม่มีอะไรมาปุงต้องทวามจิตตรงนี้เรียกว่าสมมติที่มนุษย์ทั้งหลายมันสมมติสมมติขึ้นมาสมมติเป็นผู้หญิงสมมติเป็นผู้ชายสมมติเป็นพ่อสมมติเป็นแม่สมมติเป็นเพื่อนสมบัติพระสถานมาหลายแหล่เรียกว่าสมมติมันจะอยูเหนือสมมติคือจิตจิตเหล่านี้มันจะอยู่เหนือสมมติแต่จะเรียกว่าผล พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราจึงเรียกว่าพ้นทุ ก, ก, ทก ข, ก ข, ข์คือพ้นจากทุกข์คนะือสุขะทุกขะอุเบกขะคือพ้นจากทุกขาเวทนาอุเบกขะเวทนามันพ้นจากสิ่งเหล่านี้คือจิตสภาวะจิตมันอยู่สิ่งเหล่านี้หมายถว่าทุกข์ปรากฏมามันก็รู้สุขะก็รู้และอุเบกขะทําที่ทันทีคือปาหานะปาหาตัวปาหาน่ะตัวลนะ ถแต่ยท่านเราคิดคำหนึงพิจารณาจกว่าพิเศษมันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นอย่างไรท่นพี่เนี่คือผลพวงสิ่งเหลานี้ต้องทําให้เยอะต้องทำบ่อยไม่ว่าจะ ก, กันยกกิจนาการการพิจารณาก็การรู้ยิ่งจริงก็ตามต้องทํำบ่อยๆดอกพาก็ต้องทํำบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยให้มีบ่อยๆเพราะนั่นการภาวนาจะไม่เกี่ยวกันยริงเดิน เราควรจะถามพระนาอย่างไงรก็เรียกพอพนาเรื่องสมาธิลืมตาได้ไหมถ้าทำได้มันไม่เกี่ยวกับลืมตาหลับตาเพราะมันอยู่ที่จิตต่อให้หลับตาถ้าจิตไม่สงบอย่างพาูนซ้ำเหมือนเดิมมันก็ไม่ชั ว, วร์นาะเรความหมายแต่ว่าโดยรูปการแล้วก็คือพอไม่หลับตาตาเราจะเห็นรูปแล้วมันก็ก็จะไปไปตาม ก, กระแสือคือคือมันภาษาที่มันกระทบ อยู่ตัวนี้แต่ถ้ากระทบหรือประสะถ้าเห็นแล้วรู้เท่าทันตามคาอาเป็นอย่างละวางบาอะไรมันก็ไม่ไเกี่ยวอะไรกับหลับตาลืมตามัมนไม่เกี่ยวสภาวะด้านั้นมันไม่เกี่ยวกันในขณะที่เรายังอ ย, งอยู่ยังไงก็ได้แต่สระครูอาจารย์และหลับตาลืมตาเป็นอีก่าเท่ากันก็ดูสภาวะเพราท่าน่านมาท่านเองปุ๊บท่านก็ว่างได้ทันที วางได้ทันทีหรือวางได้ตามสติปัญญาที่มีอยู่หรือว่าสังคตะอสังคตะมันเกิดขึ้นเร็วกว่าทู้อ่นอันตองเกิด ข, ขึ้นตั้งอยู่ระดับไปให้เร็วช้าเรนเร็วดูที่สติปัญญาตัวเดีควว่าการกําหนดรู้การพิจารณาการรับรู้การปล่อยวางมากน้อยแค่ไหนมันว่ากันตรงนั้นไม่ได้ว่าจะจํานวนปรคนบางคนบอกว่าเออ ไปสำนักนั้นเสานี้สำนักโ น, น้นเขาพานั่งภาวนาเท่านั้นเท่านี้เท่านนนแล้วภาวนาแล้วยังเป็นสังคต่อยู่เปนยังพุ่งซ่านอยู่คุณภาพของจิตมันก็ไม่ต่างแ้่ถ้าภาวนาแล้วมันอาจจะไปแค่สามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งแต่มันเป็นอาสังคต่มันไม่พุ่งไม่ต่ามากเกินไปคุณภาพมันก็จะดีกว่าไม่ถึงเดียวก็นกั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงในกณาที่นั่งจิตมาได้พัก คือมันไม่มุ่งไปที่อรูปเวทนาทีา่อาศอย่างนี้ที่เป็นรูปจิตมันได้พักดูอารมณนะให้ขันห้าอันนี้มันมีความรู้มีความเข้าใจในการห้าแต่ละครั้งที่เรานั่งราทานะพาโยนยกขึ้นมาแล้วเข้าใจแล้วก็แยกเออรูปนามเพียงแต่พระกหนดจะมันรูปหรือกําหนดหน่อก็วางทั้งรูปและนามได้ที่มีหรือพ้น นั่กคือวัตถประสงค์แล้วก็วิธีการหลักการในการภาวนามันไม่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆเลยไม่เกี่ยวกันมากกันน้อยไม่เกี่ยวกับอายุอานามอายุทอนนั้นตอนนี้ถือแบบไม่เกี่ยวเวลานั้นเวลานู้นมันไม่เกี่ยวยู่จิตมันสงบมากมากขนาดนี้ไม่สงบมากก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันไม่นิ่งมันก็ไม่เห็นเพราะมันเป็นมันปลงมันแต่งมันไม่มีสติคือมันไม่ระลึกนึกขึ้นมาได้เรียกว่าปราศจากสตินั่นเอง หลังการภาวนาต้องอะไรเรามีสติเป็นเบื้องต้นกลั้แล้วก็อยู่กับตัวอยู่กับตัวคืออยู่กับกัรห้ามั่งเลยคนเดียวตอนนั้นต่ันม่นก็มั น, นไม่อยู่กันห้าก็ตัวอยู่กับห้าก็ตัวคือเห็นรูปแต่เป็นรูปของคนอื่ น, มนไม่ได้เกี่ยวเลยก็แปลมันไม่เห็นตัวเองมันไม่รู้จักตัวเองที่ผ่านมามันเป็นอย่างนมอน เ, เห็นแต่รูปของคนอื่นเห็นแต่้งนะเข้าใจแต่ ไม่เห็นตัวเองการภาวนาก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์ได้เพราะกิดสติปัญญาเหมือนเป้าหมายปลายท า, งก า, า, างการภาวนาของเราทำการนั่งเห็นตัวเรานี้เป็นหลักหลเพราะนั้นสังคตะอาสังกตะาว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นียงเพราะเหตุ น, นี้เพราะขันธ์ขันธ์ปัญจะละเป็นจะขันธ์คือขันธ์ห้างของเรานี้เลยเป็นหลัก รู้กับนามอันนี้เป็นไรเพราะนั่นจากกำหนดก็กําหนดรู้กำหนดกำหนดกําหนดก็คือพิจารณาก็เราเสร็จแล้วต้องเห็นตรงนี้ต้เห็นเห็นก็คือการปล่อยวางเข้าใจในระดับใดระดับหนึ่งไม่จะเห็นว่าโอ้เวทนาอะไรโอทุกทนไม่ได้อยู่ไม่ได้เราก็อดทนเวทนาไี่ได้เวทนามันมันมาเพื่อให้เราเห็น เพื่อเราเข้าใจแล้วเราเรียนรู้โอ้คือทุกขา์าเปทนอเป็นอย่างนี้สุขาเป็านาะไเป็นอย่างนี้เพื่อให้เกิดสติปัย่างมันได้เห็น ว, ว่าให้เราทรมาร์แล้วเอิบ อ, อยู่เรื่องทรมาร์ดที่เราเ่อทุกข์มัน ท, ท, มทนไม่ได้เห็นให้เราเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจคือทนอยู่ไม่ได้ก็มแมวละพอละวางแล้วเราจึงไม่เห็นคารหน้าของตัวเองไม่เห็นกันาหน้าก็แปลว่าอยากปแต่งกันเอง จะเหเ็นไปเห็นว่าอะไรยังปรุงแต่งอยู่เนี่ยที่อยู่ที่ไปคือแล้ซ้ำภาพแล้วสีน่ะมันก็ต้องมาอย่างนี้แหละครับปรุงแต่งเรื่องอะไรมันก็จะไปอย่างนั้นเนะี่ยปรุงแต่งเสร็จมันก็จะมาเป็นภาพหรือภาวะพบอันเดียวกันมันจะเป็นภาพในแจกเกิดขึ้นมาปรากฏเมื่อชิดออกจากร่างแล้วมันก็จะไปตามร่างร่า น, นสําหรับคนที่ไม่ฝึกไม่หัดมาปฏิบัติเลยเนี่ยโอ้เกินเรื่องยากมากๆ ที่จะรู้เห็นเข้าใจสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงสุดท้ายปทางเริเชื่อเราก็เกิดมาที่เกิดจากพบมาเป็นชาติชาติเออมีชีวิตมีจิตมีกรรมโดยภาพรวมมันก็เป็นเ่นี้แต่มันไม่มีธรรมไม่มีปัญญาและธรรมะปัญญาก็สังเวชมีวิีทาวิรคาะาสันตินิพพานมันจะเกิดมาจากไหน กระบวนการมันจบวันที่ชีวิตจิตแล้วก็กรรมซึ่งเราไม่รู้กรรมมันคืออะไรการกระทํากิดจากความคิดตะแก่จาความคิดการพูดแก่จากคำพูด ก, ดการตะแก่การกระทำเวลายถ้าแก้ที่ใจอย่างเดียวเนี่ยจบเลยกพราทั้งหมดเนี่ยเอากันห้าเนะี่เป็นตีตังถ้าไม่มีการห้าจะเอาอะไรมาปรุงมาต่อมนึกหนักมันก็กลับมาที่เดิมเพราะ น, นั่งการกําหนดรู้การห้ารูปนามวนันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูการู้ทําความเข้าใจ นั่นําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําบันสําหรับท่านที่กําหนดรู้รูปนามหรือสังกัตตานิโรห์ไมรมาปุงมาแต่งจิตทันไดจริ่เดวอาสังกตนะนั่นคือวันสภาวะที่วันี้ผมโดยความหมายปฏิบัตินั้นการปฏิบัติตางของพวกเราทั้งหลายก็มุ่งสู่ประเด็นนี้เหล่านี้เป็นแนวเพราะฉะนั้นให้เอาแนวเนวี้ยเรียกเป็นแนวนแนวคิดแนวปฏิบัติทุกครั้ง ที่เราปฏิบัติตเราก็จะได้อานิสงส์หรือผลของการปฏิบัติคือรู้ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นติจฉ่อันแล้วรู้ตัวเองเห็นตัวเองมากขึ้นไม่งั้นเราไ ก, กลๆมันไม่รู้ตัวเองคําว่าไม่รู้ตัวเองนี่แหละจึงเรียกว่าอภิชางปัจฉะนั้นเริ่มต้นจากอิทัปปัจจัยอิทธปิยาต่าง คือเราสวดกันเพ่พูดมอวิชชาปัจญาสั้างขาแล้วอวิชชาเนะี่ยมันเป็นแก่ของสังขานตั้งการก็มือนกัการเครื่องกระปรุงต่งๆหรือเป็นสังคตามันเป็นที่มาไอ้จุดเริ่มต้อนนะอะเพราะความไม่รู้ที่มาพรงมาแต่งไปเดี๋ยไม่รู้คือมันเกิดขึ้นมันไม่เห็นกันเกิดขึ้นงไปได้ตับไปพวกมันจะกลายเป็นวงจรอะไรเราเลยแต่ที่นู่น ชาติชาติที่พยะมาราณะปิฎกาเป็พบพบอากาศเป็นชาติกระไปกระมาอยู่อย่างนี้เป็นวงจรเป็นอุจนการเป็นภาษาละ ว, วงอุจรอุบายก็แล้วเพราะนั้นนักขา่าวนาทั้งหลายควรจะรู้วงจรอ น, น, นุนั้นเราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้การภาวนาเราก็เราจะเห็นความเจริญแสดงความจิตใจคือเห็นวงจรของเขาอย่างนี้เราจะเข้าใจการภาวนา โดยผลคือผลผลของการภาวนามันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ระดับสติปัญญาของพวกเราพอจะเห็นสิ่งเหล่านี้มา ก, มาก น, าน้อยกระดไหนก็เป็นกําลังใจเหมือนเดิมให้พวกเราทั้งหลายได้ทําให้มากขึ้นทำให้ปล่อยขึ้นพิจารณาขึ้นอย่าท้ออย่าถอยเพราะว่าหนึ่งเราจะเข้าใจหรือรู้แจ้งเห็นจริ ง, รงในกองสังขารอันนี้ด้วยปัญญาเพราะนั้นหลวงปู่ทงอินทงช้างเาเนีภาวน า, วน า, วน า, วนาให้มีรราความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ในกองสังขารด้วยปัญญาทการเข้ามา น, นี้นะรู้จริงจริงในกองสังขารอันนี้ด้วยปัญญาต้องเห็นด้วยปัญญามันเป็นะจริญผลอั น, นั้นวันนี้ก็ฝากพวกเราเพื่อเป็นนักนักคิดนักดูจิตมาเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งหลายขออนุสงฆ์ให้การภาวนาเพื่อท่ให้มีถ้าเป็นให้เกิดขึ้นทําให้เจริญขึ้นคือกุศล น, นั่นเอง ห้มาขึ้นในนี้จพืเป็นพลวะตปัจเจกนุนส่งผู้เราให้มีความสุขความเจริญทางทางโรกและทางธรรมตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้นีเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดทั้งมวลในอดีตคดีในปัจจุบันก็ดีขอให้ท่านเหล่านั้นจะเป็นผู้มีเศียรบุญที่ผู้เราทั้งหลายแต่กระทำบัมเป็นทุกครั้งในครั้งนี้พนะการภาวนาของเราทุกครั้งก็จะลืมแผ่เมตตาหรือคิดอย่างนี้ ใจเราของเราจะเป็นไปสู่ความละถอนปล่อยวางคือไม่ยึดไม่กิดจะไม่ผูกพยาบาทอากาตจอมเวรกับผู้ใดผู้หนึ่งกับสัพเพสตะังในสัพพสัตว์ทั้งหลายจิใจเราก็จะเบาดีขึ้นไม่เกี่ยวไม่คล้องมันโกรไม่เกี่ยวกับผู้ใดใจเราก็จะไปขึ้นเร็วนี่คืออันสมของการภาวนาก็ขอขอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งวันวนี้ก็ขอดิจิตติโอวัจเจอนี้